อธิบายถึงเรื่องธรรมธรรมในของ พูดว่ากว่าขันธ์ 5 ก็เรียกว่าธรรมขันธ์ เอออากาศไอ้ครูว่าอายตนะภายนอกกับภายในกระทบกัน <c oughs> สัมผัสถูกความรู้ปลุกขึ้นเป็นเวทนา ถูกต้องแล้วเกิดความเถยอธยานดีหล่นเรียกว่าสังหาอุปทานก็เป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นกุศลทั้งหลายที่ปรากันผู้พฤติปฏิบัติ มาพูดถึงเรื่องรูปเวทนาสัญญา โอเฉพาะถึงธรรมพญาธิธรรมนาธรรมก็จําพวกธรรมด้วย <c oughs> แต่เป่าเอาลืดไม่ใช่ปฏิบัติเอาปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เราปฏิบัติ เราไม่เข้าใจถึงเรื่องธรรมไม่ทันถึงธรรมที่จริงเราอยู่กับ เรายังไม่รู้ไม่ทันเห็นเพราะเหตุที่ กายเป็นธรรมอยู่จริงแล้วเป็นที่ตั้งของธรรมจริง ไม่ใช่ปัญญาเกิดที่กายผู้ที่ให้คือจิตเป็นคนรู้คนเห็นเป็นจักตะวะธรรมจิตก็เป็นจักตะวะธรรมแต่เรามหัตปัญญาคือหัดจิตที่เป็น เมื่อปัญญาจึงจะเกิดขึ้นนั้นในที่นี้หมายความ เนี่ยได้ต้องหัดจิตถ้ามีหลัก เมื่อได้รับความสงบเมื่อถึงซึ่งความ ถ้าจิตไม่รู้รอบในถ้าจิตไม่สงบสติคุมจิตไม่อยู่มันก็ไม่เห็นทิฏฐิถ้าหามันสงบแล้วอาการนี้สติควบคุม สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือให้โกรธโทษในประการต่างๆมันออก คงเรียกว่าปัญญาถ้าหากเรารู้ตรงนั้นแล้ว เอาไว้ให้มันควรจะหลุดให้ เป็นรูปเห็นกายทีแรกเราก็เห็นว่าเป็นต้นเด็กตัวเป็นเราเป็น ถ้าหากว่าเราไปแล้วที่มันออกไปจากนั้น ไม่ใช่คนไม่ใช่ครับเป็นได้สรรพรูป จิตมันสงบเพียงค่อยเห็นตามถ้าจิตไม่ทันสงบมันเข้าไปยึดลูบยึดนามันไม่อยู่นิ่งคน อบรมสติให้ควบคุมๆเป็นธรรมถ้าหากยังไม่ถึงถึงจิตนิ่งแนว อาการไม่ได้ทิ้งสมมุติบัญญัติหรือมันไม่ทิ้งอารายอารอดในรูปในรูปเห็นเป็นจักรเทวรูปเพราะจิตตรงนั้นน่ะมันออก พออาตยาเอก็ตามมันมามองเห็น ละธาตุเป็นไปในความทรงอยู่พูดหมายความ ธรรมะที่ว่าทรง ไม่ใช่ถึงที่อื่นไม การจะมองออกมาดูจึงจะเห็นชัดถึงธรรมใดธรรม ได้เนี่ยเณรเนี่ยสันสูลนาสนินทาสุขแล้วก็ทุกข์อย่างได้คือว่าได้แล้วเสื่อมก็เข้าก็เกิดไปคือเสื่อมไปใน ยกระไดแล้วก็แล้วก็เชื่อมยังเมื่อได้รากเชื่อมรากได้หยดก็ไม่ต้องอื่นที่ไกลไม่ต้องพิจารณาอื่นแตรแค่ตัว ตามเนี่ยคนน่ะมนุษย์น่ะมันจะเสื่อมได้เหมือนกันแต่ มีสุขขึ้นมาแม้เมื่อจิตของเราสงบได้ความสุขจริงๆจิตไม่สงบ ถ้าเปลี่ยนนิยามอื่นนิยามบทที่เราเปลี่ยนครั้งแรกก็ได้ความสุขต่อเรื่อยๆนั่นเองก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละได้สุขแล้วเสื่อมสุขได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสุขได้ทุกข์ <c oughs> สรรเสริญตรงไหนสรรเสริญก็คือว่าชมเชยยินดีประสนได้ ในเส้นธรรมธรรมของโลกโลกไม่ได้หนีจากนี่แต่เราไม่เห็นใจมัน มันเป็นธรรมในทางที่ชั่วได้ยศเสื่อมยศได้สุขและก็ทุกข์สนับสนุน ผู้ใดเจ้านั้นสอนว่าโลกธรรมนี้เราจะเอาโลกธรรมนี้จะเอาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนอันนั้นเป็นธรรมเสมอหมายอันนั้นเป็นธรรมไม่พองใสธรรมนั้นเป็นธรรมสกปรกไม่สะอาดชอบมั้ยถ้า ให้เห็นว่าเป็นของโลกเราไม่ชอบโลกคนเราที่ คำว่าไม่ต้องการและไม่ปรารถนาแต่ความจริงแล้วเป็นการไปรับ ได้หลอนเป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทิ้งเป็นเรื่องเปล่าเครียดแต่ว่าเอา หากคำสะอาดได้เป็นอย่างนั้นเห็นเป็นเรื่องโลกธรรมสิถ้าเรา มันจึงค่อยๆไปเอามาเป็นของเราฉะนั้นเราจึงเมื่อเราฝึกหัด เมื่อเราบัว คันนี้เราเรื่องธรรมทั้งที่เป็นของในโลกความจริง ไม่แปลงเหล่าทําเอาไว้ในใจน้องเมื่อมันกลาย ถ้าเราจิตของเรายังไม่ทันรวมเป็นเอกคตาคือไม่ได้ทันปล่อยวางโลกมันจะต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เจ็บเมื่อยตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆสลับไปอย่างถ้าหากเรา <c oughs> มีการรับรู้ถึงเวทถึงเวทนาแต่สมัยกษัตริย์ทัศน์สัจจะบ่รับรู้เราแบ่งส่วนแบ่งสัจ ให้เห็นเวทนาเป็นธรรมเนี่ยให้เห็นเป็นทุกสิ่งน่ะส่วนอื่นต่อไปนอกนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันนิเรกตัณหาสารพัดทุกอย่างที่มันเกิดนี้ขึ้นมา หาลดกับหลักอันนี้เราเราพิจารณา ให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามว่าสัพเพสังขารานิจจารูปเวทนา เป็นรวมเรียกว่าสัพเพสังขาราอนัตตาอนิจจังสังขารทั้งปวงหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีหรืออะไรทั้งโลกธรรมทั้ง ไม่ใช่ของใครแล้วบอกบังคับไม่ได้จะให้ไม่อยู่เนี่ยบังคับมึงสมจําได้โอเคบังคับมันเป็นก็ไม่ได้ จะทําทั้งหลายแล้วสบายใครมันก็สบายนั้นเรานั้นลือเป็นสบายในคนที่ปุ๊ดเราก็ไม่มียังเหลือแต่ความไม่มีเราก็ไม่มีที่เรียกว่าเราหมายความ ไม่ถือว่าเราไม่สมมุติว่าเราท่านมันก็เห็นแยกธรรมกับเราอะไรก็ไม่มีเป็นธรรมไปด้วยกันหมดตัวเราก็เลยกลายเป็นธรรม